ปกติก็รักษาศีลห้าทุกๆส5บวันก็รักษาอุโบสถศีลพระองค์ก็ได้ตบแต่งด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วในหนหลังให้มหาชนเนี่ยตั้งอยู่ในศีลทันบริษัทของพระองค์เนี่ยนะลูกบริวารของพระองค์ที่พากาัน ร, รักษาศีลก็ไปบังเกิดในเทวดาเพราะปฏิบัติตามโอวาทของพระโพธิสัตว์ เทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดในเทวดาเนี่ยนะพากันประชุมกันณนะเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมาพากันสรรเสริญคุณของพระมหาบุรุษสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าน่าอาัศจรรย์หนอพวกเราได้รับสมบัตินี้เพราะอาศัยพระเจ้าเนมิราชของพวกเราอนะเพราะเพราะพระเจ้าเนมิราชโอวาสั่งสอนพวกเราแท้ๆเราจึงได้พากันปฏิบัติธรรมมาเกิดในเทวดา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 พระโพธิสัตว์ไม่สา ม, มารถจะตัดสินความสงสัยของพระองค์เองได้ว่าเอ๊ทานกับพรหมจันทร์ไหนดีกว่ากันนะในขณะนั้นพิภพอ่ะนะพบของเท้าสักาก็แสดงอาการเร่าร้อนบรรดุกำพลศิลาอาจเคยนิ่มกลายเป็นแข็งกระด้งางเท้าสักาก็รำพึงถึงเหตุนั้นครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ทรงวิตกอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าเอาเถิดเราจะตัดสินความปริวิตกความสงสัยของพระโพธิสัตว์ ก็เสด็จมาประทับอยู่ข้างหน้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ถามว่าท่านเป็นใครพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทวราชพระราชาก็ถามว่าหมหาราช พ, พระองค์ดำริถึงอะไรพระโพธิสัตว์ก็ตรัส บ, บอกความนั้นคือเทวดาเนี่ยนะก็ถามพระพเอ๋อทา้าสกะแสดงให้เห็นว่าพรหมจรรย์นั่นแหละประเสริฐที่สุดแล้วนะการพรหมจรรย์นี่แปลว่าการประพฤติประเสริฐเนี่ยนะ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 เพียงวิงวอนหรือขอแล้วก็จะได้เป็นแต่ว่าผู้ที่จะเป็นพรมได้นั้นจะต้องไม่มียาวเรือนจะต้องบำเพ็ญตบะจะเมื่อมีการประพฤติตะบะจึงไปเกิดในพรมมาโลกได้อธิบายว่าถ้ารับที่นอกาศาสนานะการงดเว้นจากเมทุนเรียกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างต่ำนั่นแหละสามารถทำให้เกิดในตระกูลกษัตริย์ ความประพฤติเพียงใกล้เคียงฌานชื่อว่าพรหมจรรย์ตานกลางเจริญกุศลเกือบได้ฌานเรียกว่าพรหมจรรย์ตานกลางพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ตานกลางย่อมเกิดเป็นเทวดาแต่การยังสมาบัติ8ดให้เกิดชื่อว่าพรหมจรรย์ที่สูงสุดด้วยพรหมจรรย์สูงสุดในพรหมจรรย์ที่สูงสุดสามารถทําให้เกิดในพรหมโลกเพราะฉะนั้นรับที่นอกาศาสนาของเราเรียกพรหมโลกว่าเป็นนิพพานแดนแห่งพระนิพพาน อันนะั้นก็รัที่อื่นๆนี่ก็ถือว่าพรหมโลกเป็นนิพพานแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ได้อธิบายแบบนี้อันนะสุทวนนะว่าท่านอกศาสนาเขาบอกว่าการงดเว้นจากเมถุนหรือศีลแปดนี่ก็เรียกว่าพรหมจันทร์ต่ำแล้วพรหมจันทร์ต่ำนี่แหละทาให้เกิดเป็นกษัตริย์ถ้าปฏิบัติสมาธิได้อุปจารสมาธิพวกนี้ก็เกิดเป็นเทวดาถ้าประพฤติได้ฌานปฐมฌานเป็นต้นไปก็ทําให้เกิดในพรหมโลกเพราะถือว่าพรหมโลกสูงสุด พระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อพิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาะหมู่เทพอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำเพราะเจตนาในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยต่ำด้วยพรหมจรรย์ต่ำนั้นย่อมเกิดในเทวโลกตามที่ตนปรารถนาะโอ้ยถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระภิกสุต้องการแค่เกิดเป็นเทวดาบอกโอต่ำมากเหมือนั้นมีหนานะี่ยมีพระรูปหนึ่งอะนะเพราท่านรู้ว่าเกิดเป็นเทวดาเสียใจมากเลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังสมาบัติ8ให้เกิดชื่อว่าพรหมจรรย์กลางด้วยพรหมจรรย์กลางนั้นทําให้เกิดในพรหมโลกส่วนผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์ชื่อว่าพรหมจรรย์สูงสุดย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ที่สูงสุดนั้นนะผู้ที่บรรลุเป็นท่าอรหันต์ชื่อว่าได้เข้าถึงพรหมจรรย์ที่สูงที่สุดแล้วนะ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 มันจะให้เรื่องหนึ่งมันยุ่งจริงๆเลยนะการให้ทานเนี่ยมันยุ่งพอๆกับทาธุรกิจนั่นแหละนะมันวุ่นวายพอๆกันอ่ะกว่าจะให้หนึ่งเรื่องได้สําเร็จนะไม่ใช่ว่าให้ทานหยอดเหรียญไปในะให้ขอทานนะถ้าอย่างนั้นไม่ยากหรอกแต่หมายถึงว่าการให้ทานเป็นเรื่องเป็นราวให้ทานที่ประณีตให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะเช่น อ, อะไรนะพวกวิหารทานเป็นต้นเนี่ยนะหรือทานเป็นนิ จ, จทานหรือทานระดับสูงๆไปในวัตถุที่มากมายพวกนี้ให้ยากนะ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 ยิ่งประพฤติพรหมเมตตาภาวนาเป็นต้นเนี่ยนะกุศลจิตก็เกิดต่อเนื่องบุญมากบุญน้อยเขาวัดกันที่ไหนวัดกันที่สภาพจิตนั้นการให้ทานเนี่ยสภาพจิตที่เป็นไปกับบุญเนี่ยนะถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาเพนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าประพฤติพรมจรรย์เนี่ยมีผลมากกว่าให้ทานเป็นร้อยเท่าพันเท่าหรือเป็นแสนเท่ากําไรต่างกันเยอะเนี่ยนะว่ากันอ่างนั้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 ข้าแต่จอมเทพพระองค์เสด็จไปไหนมานะไปอินหายไปพักหนึ่งก็ถามว่าไปไหนมาท้าวส ก, ก่าก็ตรัสตอบว่าเราไปตัดสินความสงสัยของพระเจ้าเนมิราชในกรุงมิถิลาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นเจีงพันนาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยพิสดาร น, นะท้าวส ก, ก่าเล่าคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ให้กับเทวดาฟังเทวดาได้ฟังอย่างนั้นก็ทูลถามว่าเอ่อทูลว่ า, า, วาข้าแต่จอมเทพ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 ข้าวสกัดตรัสตอบตกลงแล้วก็ตรัสเรียกมาตาลีเทพบุตรมารับสั่งว่าท่านจงไปกราบทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชประทับเวชยันต์รัเวชยันตรรถแล้วก็นํามาะเวชยันตรประสาทไม่ใช่นะเวชยันตร์ตมาตาลีเทพเทพผบุตรก็รับเทวบัญชาก็นํารถไปรับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ซักไ้ไล่เลียงเนี่ยนะไปยังไงมายังไงเป็นต้นมาตาลีเทพผบุตรก็ทูลถึงฐานะ ซักซ้ายไล่เลียงอ่ะนะตอนที่ระหว่างทางระหว่างทางที่พระโพธิสัตว์เนี่ยขึ้นขึ้นเวชยันตร์ตมาแล้วก็มาตลีเทพสารถีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นทูตพิเศษทูตพิเศษว่าพระองค์จะจะไปทางไหนก่อนจะไปดูนรกก่อนหรือว่าจะไปสวรรค์เลยว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกโอ้ยสวรรค์ยังไงเขาก็เขาก็มาเชิญเชิญไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ไหมเอ๊ะแวะดูนรกซะหน่อยดีกว่าเนี่ยนะ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 อ่ะนะขอให้พระองค์นีมน์มาเถอะพระองค์นี่จะอยู่ด้วยบุญของเทวดาอ่นะก็เรียกว่าพูดแบบว่าพระองค์นี่เข้ามาอาศัยเขาอยู่รอกเนี่ยแต่ว่าเป็นการเชื้อเชิญอ่านะเชื้อเชิญตามมัญญาติแล้วก็เชิญแบบมีเล่เหลี่ยมกางกันเชื้อเล่เหลี่ยมเอาบอกว่าพระองค์ถ้าพระองค์มาอยู่เป็นเทวดาพระองค์ไม่ได้มาด้วยบุญพระองค์นะพระองค์อยู่ด้วยบุญของเช่นด้วยบุญของข้ า, าพเจ้าเป็นต้นน่านะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดมานะจะได้ไม่ต้องอยู่ว่างั้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ พระองค์อย่าต้อนรับด้วยการที่อุปมาด้วยของของขอยืมผู้อื่นเหล่านี้แก่ข้าพระองค์นะก็อย่าอย่าเชื่อเชิญสิ่งเหล่านี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับของขอยืมนั่นแหละนะเสร็จแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปพระองค์ก็แสดงธรรมโดยอเนกปริยายประทับนั่งอยู่เจ็วันวันของมนุษย์นะก็ไม่กี่นาทีของเทวดาแล้วก็ทูลอัมลาว่าข้าพเจ้าจะกลับนิสสโลก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 เทวดาว่าข้าพเจ้าจะ ก, กลับมนุษยโลกข้าพเจ้าจะทําบุญมีทานเป็นต้นนมนุษสโลกคือผู้ที่เห็นผลแห่งบุญอย่างพระเจ้าเนมิราชอย่า ง, งนะี้นะกลับไปจะไปทําบุญให้มันหนักกว่าเก่าอีกท้าวสักาก็มีเทวบัญชากะมาตลีเทพประบุว่าท่านจงนําพระเจ้าเนมิราชกลับไปยังกรุงมิถิลาเถิดมาตลีเทพประบุเชอทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้ส่งขึ้นสู่เวชยันตรถแล้วพาไปสู่อ่าพาไปส่งถึงกรุง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 ประาชาก็ทรงพรรณนาถึงสมบัติในเทวโลกแสดงธรรมว่าแม้พวกท่านก็จงทําบุญมีการให้ทานเป็นต้นอย่าประมาทเลยนะไปเห็นมาแล้วไงนี่เราก็ไม่เห็นมาแล้วว่าเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเอออยู่ในตอนนี้อยู่ในเมืองเทวดาไม่ใช่เลยตอนนี้ก็กรุงเทพกรุงเทพแปล ว, ว่าเมืองเทวดา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 เพราะว่าพรหมเนี่ยนะอย่างเนอะอบพรหมธรรมดาเนี่ยก็คือหนึ่งในสของกลับนีพรหมมัปริศชาหนึ่งในสของกัปถ้าหากว่าพรหมมโปรหิตาก็ครึ่งกับมหาพรหมก็มีอายุหนึ่งมหากับแล้ถ้าพรหมสูงสูงก็มีอายุสูงไปกว่านั้นอีกท่านเนี่ยอธิฐานจุตินะเรียกว่าพรหมธรรมอาิมุตตะกิริยาตายจากพรหมโลกสละความสุขในพรหมโลกมามาเจริญกุศลต่อในหมู่มนุษย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุ่นานุภาพ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 พระองค์นี้ให้มหาชนตั้งอยู่ในการปฏิบัติมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนื่องจากพระองค์นเนี่ยโอวาทแนะนำสั่งสอนประชุมชนคนเหล่านั้นไปเกิดในสวรรค์พันพระองค์เนี่ยเป็นที่ยกย่องของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยแผ่ไปในเทวดาและมนุษย์สิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทวดาเข้ามาหาพระองค์พระองค์ก็สนทนากับเทวดา ขณะเดียวกันเทวดาก็ยังเชื้อเชิญให้ไปในเทวโลกเท้าสาก่าก็ต้อนรับด้วยทิ่ผสมบัติขนาดนั้นจริงๆถ้าท่านประสงค์จะอยู่ท่านอยู่ได้นะถ้าท่านประสงค์จะอยู่ในทิ่ผสมบัติต้องการจะเป็นมนุษย์ที่มีใช้ชีวิตแบบเทวดาเนี่ยท่านทําได้แต่ท่านก็ไม่ไม่พอใจสละสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วกลับมายังมนุษยโลกเพิ่มพูนบุญกุศลขณะเดียวกันในที่สุดท่านก็ไม่ติดอยู่ในสมบัติมีลาบ สมบัติเป็นต้นแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเนี่ยขำ ม, มะเป็นต้นจนได้เป็นอ่นะได้เป็นอะไรเป็นในที่สุดก็กลับไปสู่พรหมโลกอีกตามเดิมนี่นะไปสู่พรหมโลกแล้วก็ประพฤติก็อธิษฐานจากพรหมโลกจูติปฏิสนธิอย่างเนี้เรื่อยทําบุญไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเขาเรียกว่าอะไรนะจิระกาลภาวนาสสัมภาระกาลภาวนาแล้วก็นิรันตระ